วันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสอง่นี่ยืนปีใหม่นะปีนี้วันบานมันก่อนเป็นวันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันที่ที่สามแล้วเนวันที่สามมกราปีสี่แปดถ้าจะว่าไปแล้ววันคืนเดือนปี ล่วงไปแต่ม่ใช่จะล่วงไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ล่วงหล่นไปด้วยเหมือนกันวันคืนเดือนปีล่วงไปไม่มีปัญหาแต่ชีวิตของพวกเราล่วงหล่นไปเนี่ยอันนี้ปัญหาใหญ่ถึงเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ปัญหา ชีวิตของเราจะแก่ไปเรื่อยๆไม่เหมือนปีที่แล้วยิ่งอายุเกินวัยกลางคนไปแล้วน่ะกลางคนขนาดไหนว่ากลางคนทุกวันนี้กับประมาณ30สบกว่าปีไปแล้วกว่ากลางคนแถ้ากลางคนไปแล้วก่อนน่ะดิ่งลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าอายุ หกสิ 60, เข้าไปเท่าไรความไหลของน้ําก็ยิ่งเด่งลงไปเรื่อยยิ่งไหลแรงเพราะมันชันลงไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันน่ะชีวิตของพวกเราทํามันมันยังไม่ลาดชันเท่าไหร่มันก็ค่อยไหลแต่พอมันใกล้ๆเขา้าชีวิตของเราใกล้ะจะจวนจบเท่าไหร่ก็ยิ่งไหลลงไปเรื่อยกําลังวางชาหูตาอวัยวะทุกส่วน ก็จะบ่มบอกไปไเรื่อยแต่ถึงเขาแก่แล้วนะไปไม่ไหวแล้วนะจะจอดทนา น, นีา่มันจะบอกของมันแต่พวกเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้อันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่บางคนก็ไม่รู้กระทั่งตัวเองจะแก่ด้วยขณะตัวเองจะแก่จะเข้าหีบเข้าโลงอยู่แล้วก็ยังลืมเนื้อลืมตัวก็มีตั้งเยอะแยะเพราะนั้นพวกเรา พุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทสอนไม่ให้ลืมตัวพยายามสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยเมื่อเราเป็นเด็กเราก็เก็บหอมรอมริบไปเรือยสร้างบุญสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์หนังสมาธิภาวนาปฏิบัติคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้แปลว่าสั่งสมบุญเข้าสู่ใจถ้าหากว่าบุญกุศลเข้าสู่ใจมากแล้ว มีแต่ความล่มเจ็นเป็นสุขคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอิบอิ่มทางจิตใจแต่ทางว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้จิตใจก็แห้งผากจิตใจก็อับเฉาและลึกถึงคุณงามความดีและลึกถึงบุญกุศลเข้ามาเมื่อไรใจของเราก็ว้าเวอ้างว้างเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทานเรื่องศีลอันนั้นพวกเราก็ได้ทำมาโดยสม่าเสมอแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งพวกเรายังห่างเหินกันอยู่อย่างมากถ้าจะเปรียบเทียบกับที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างเข้มงวดกวดขันพวกเราได้ยังห่างไกลมากถ้าจะเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าแล้ว เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตาดูตัวเองอยู่เสมอการนั่งสมาธิภาวนาพยายามหลบปลีกปลีกตัวหาที่สงบปลีกเลนที่นั่งภาวนาที่เดินจงกรมอย่าไปคุกครีตีมงกับหมูกับเพื่อนกับญาติกับโยมจนเกินไปให้รู้จักหลบให้รู้จักเกลียเวล่ำเวลาเวลาก็มาเป็นตัวของตัวแล้วก็ปุ๊บเข้าไปหากรรมฐาน ที่เราเคยปฏิบัติที่เคยภาวนาคือหน้าที่ของเราทันทีเลยแต่ช่วงที่ออกไปมีความจําเป็นก็เอายืดหยุ่นออกไปแต่ถ้าเมื่อจบหน้าที่แล้วก็เอากระโดดเข้ามานั่งภาวนาเดินจงกรมกําหนดจิตกําหนดใจของเราเข้ากับกรรมาฐานใครเคยทําหน้าที่อันไหนนักแน่นเรื่องอันไหนติดต่อเรื่องอันไหนหรือว่าหน้าที่ของเรายัง ตกบกพร่องอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้าไปทาหน้าทีนะ่ในตรงนั้นจุดนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญอย่างยิ่งสาหรับพื้นฐานของพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องสมาธิเนี่ยตีจะเดินก้าวไปทางวิปัสสนานี่ยสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นพยายามทำจิตให้สงบจะทำยังไงจึงจะให้สงบ เอออันนี้กำหนดกรรมาฐานไหนกรรมาฐานให้เอาจริงเอาจังนั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านสอนมาก็คือกรรมาฐานบริกรรมพุทโธนี่แหละเป็นหลักนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือพุทโธขณะจิตที่คิดขณะจิตที่เราคิดน่ เร็วขนาดไห้เฮาพุโทโธสัมทับเข้าจุดนั้นน่ะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเลยนะอันนี้ก็ได้นะถ้ามันยังมีช่องว่างมันมีทางออกอยู่ว่างั้นแ ต, แต่เราจะไปกั้นอกกัก้นลมกันนะไรม่ถึงขนาดนั้นแต่เฮาเรานั่งทําใจให้สบายสบาย แต่เราบริกรรมสมทับขณะที่จิตที่มันคิดพุทโธพุทโธพุทโธทําใจให้สบายสบายทำไปให้ว่างๆเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่าในใจของเราให้คิดพุทโธสัมทับเข้าตัวกับนึกคิดตัวนั้นๆตัวใจนั้นน่ะที่มันเคยคิดปุงฟุ้งไปทางอื่นนั่นน่ะให้สัมทับเข้าจุดนั้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตไม่มีช่องทางที่จะคิดไปทางอื่นเพราะงั้นเตะ ให้มันอยู่กับกรรมฐานพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือวิธีทําจิตให้สงบให้มันมีอารมณ์เล็ดลอดออกไปหรือว่าเร็ดลอดเข้ามาสู่ใจของเราอันนี้ก็คือวิธีการสําหรับที่จะทําจิตให้สงบมีหลายวิธีพระพุทธเจ้าจึงวัวางกรรมฐานไว้40อย่างนั่นนะ่สิบประการ40กรรมฐานสี่สิบ ยาแก้จิตใจให้สู่ความสงบเหมือนกันเถอกรรมฐานสนะี่สิบะจากนั้นเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งพอจิตสงบแล้วด้ืว่จิตสงบพอสมควรแล้วจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วจิตสงบไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพนะิจารณาทางด้านปัญญากับพิราร่างกายสังขารของเราเนี่แหละ หรือว่าใครเคยเห็นในโทรทงโทรทัศน์ย อ, ยยอย่างเนี้ยอย่างภาคใต้อย่างเนี้ยความตายของเขาเนี่ยเน่าเหม็นเฟะอย่างนั้นอ่ะเป็นยังไงคนมันเหม็นนะถูกต้องไหมถ้าเราจะไม่ถูกต้องเราก็ไปลงไปไปดมกับเขาก็ได้มันเหม็นจริงๆหรือเปล่าหลวงพ่อว่าจะกินข้าวมันได้ น, นแล้ว เหม็นคนยิ่งกว่าเหม็นอะไรทั้งหม ด, ดมเห็นบรรดาเหม็นมาทั้งหลายแล่เห็นหลวงพ่อเนี่ยยอมแพ้เหม็นคนเพราะหลวงพ่อเคยโดนสองงานนะมีหลวงปู่สองท่านที่ท่านมราณาภาพไปสมัยนั้นก็ไม่มียาฉีดโฟมารินไม่มีว่างั้นเถอะแล้วเขาก็ใส่หีบไม้แล้วเอาสังกสีบัดกรีจากนั้นเขาก็เอาคนเข้าไป ปิดบัดกรีให้ดีพราะงั้นเถะแด็กก็ตีไม้อัดตีเข้าไปอีกให้แน่นมาทีนี้ก็พอได้สิบสห้าวันทีนี้เขาก็เปิดหีบเขาจะเผาเลยทีนี้พอเปิดหีบเขาก็เจาะมันก็ออกมันลมมันดันแน่นข้างในฮะเหมือนกับปลากระป๋องอย่างนั้นอ่ะเออมันมาอัดยังไงเขาไม่รู้มันคนมันมันเน่าเนี้ยมันไม่ได้มียุกมียาใช่ไนะมันก็ดังฟิวออกโอ้โหดูติดผ้าเจี๊ยบเลยกลิ่นเหม็นอันนั้นนะนะ พอเผาคนเสร็จแล้วแมลงวันยังเกาะติดต้นไม้ตะพัดตะเพืออย่างนั้นน่ะกลิ่นมันติดต้นไม้เหมือนกันเถอะพรามินเหม็นคนเหม็นที่สุดบรรดาเหม็นหมาวางั้นเถะเหม็นไก่ตายเหม็นหมูตายเหม็นหมาตายไม่เหมือนคนตายเหมือนกันะกลิ่นคนตายเนี่ยโอ้โฉฉันเข้าไม่ได้อยู่หลายวันเหมือนกันเถอะอันนี้เป็นสัมมเณรเน ย, เนยขนาดฉันเข้าอร่อยอร่อยเหมือนกันเถอะกินข้าวไม่ได้เลยเหมือนนเะ โอ้เมนจริงๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นสภาพทางภาคใต้นี่นะอที่ว่าเป็นร้อยเป็นพันศพเนี่ยเอามากองไว้ในวัดเนี่ยภาพท่านปิดจมูกไปบินเท่าบาทมันนึกถึงสภาพที่หลวงพ่อเคยถูกกลิ่นหลวงปู่สององค์ที่ท่านมรณะภาพเนี่ยสมัยหลวงพ่อเป็นเนเนอ่ะโอ้มันเหม็นจริงๆเอามันเกินที่จะอาเจียนออกนัก่นแหละเอางั้นเถอะ มันเกินกว่านั้นอีกไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนนั้นมัญหานั่นไม่ได้เลยวิ่งนี้ห่างไกลขนาดนั้นก็นยังเหม็นอยู่เหมือนกันอันนี้เพียงศพเดียวนะอันนี้ขนาดนั้นน่ะเต็มวัดจะทํำยังไงมันจะเหม็นขนาดไหนนี่แหละซากศพของคนนะพวกเราท่นานทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่นะ่ะแต่ตายไปแล้วอย่างนั้นแหะทําไม่ได้ฝังทําไม่ได้เผานะอทําไม่ฝังทําไม่เผาแล้วก็ทิ้งไว้เฉยเฉยนะ่ะ มีมแมลงวงมีมแมลงวันมีนอนมีอะไรยัวเยะหมูหมาสัตว์ต่างๆมาแทะมากัดเนื้อร่างกายของคนเราเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้พิจรารณายอย่างนั้นเนยให้พิจรารณายอย่างนั้นร่างกายของเราเนี่ยทุกคนนี่ยถ้าว่าตายไปแล้วไม่เผาไม่ฝังเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะจริงไหมถามใจใจคื อ, ค อ, ค อ, คอตัวผู้รู้นี่ยนะคือผู้รู้คือใจนี่ย ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ถามอย่างนั้นท่านจึงให้คิดอย่างนั้นทํำไมพระพุทธเจ้าว่าคนเราเนี่ยมันหลงกายมันหลงร่างกายของเราพอหลงร่างกายแล้วก็หลงร่างกายคนอื่นว่าเป็นของสวยของงามทีนี้มันก็กิเลสราคะก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่ากิเลสราคะเกิดขึ้นมาได้เพราะความรักสวยรักงามเพราะนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงกิเลสตัวนี้มันจะหดหายไปได้อันนี้แปลว่า ให้พิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะให้เป็นของปฏิกูลอันนี้ก็คือวิปัสนาญาณหรือว่าวิปัสนาเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณาให้เป็นวิปัสนาให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้โดยมากไม่ค่อยได้สอนกันไม่ค่อยได้พิจารณากันโดยมากพระท่านก็ไม่ค่อยสอนกัน แต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ตั้งแต่บวชมานะเนี่ยเกซาโลมานาะคาทัานตาตาโจกรรมฐานห้าให้พิจารณา ว, ว่าเป็นของไม่สวยงามน้อันนี้คือคือพระพุทธเจ้าให้พระอุปัชฌาย์สอนพระบวชใหม่ทุกองค์ต้องได้สอนอย่างนี้มาจากนั้นก็ให้นำไปคิดไปพิจารณาอีกทีหลังนะไปสอนกันอีกทีหลังนะเดี๋ยวสอนกันอีกทีหลังกันอย่างนี้นะให้พิจารณา ให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไรเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใ จ, จก็ไม่คึกไม่ขนองจิตใ จ, จก็เกิดความเบื่อนหน่ายคลายหลุด พ, พน renowned, ้นเป็นอริยบุคคลประโสดติสกทาคานาคาอรหันเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วเป็นพระอรหันในที่สุดอันนี้แหละขั้นให้พิจารณา <bunny> <dónde existem> ร่างกายของมนุษย์เปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเรา คิดถึงเขาแล้วก็คิดถึงเราคิดถึงเราแล้วคิดถึงเขาให้พิจารณ า, ากันอยู่อย่างนี้เมื่อพิจารณ า, าเห็นตามความเป็นหญิงอย่างนี้จิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจไม่ก่อยแหวงจิตใจไม่สายแสออกไปข้างนอก เ, ออเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาตลอดเป็นฌานน่ะเนี่สมาธิก็คือจิตสงบฌานก็คือสมาธิสมาธิก็ เป็นผลได้จากฌานฌานเป็นผลได้จากสมาธิเมื่อจิตเจ็นสมาธิดีเด็กฌานก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านว่านี่นะท่านเหล่านี้ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมได้ไง่ายๆแล้วงั้นเถอะไปเกิดเป็นพรหมเหนือสูงกว่าเทวดาอีกอย่างนางที่เคยเป็นสุกรมาก่อนสัตจะก่อนหน้านี้ท่านท่านไปเห็นอสุภะคืออุจจาระ ของคนเกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็เห็นเวลาไหนคิดเวลาไหนเกิดความเบื่อหน่ายอยู่งั้นในใจจนใจไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นเหมือนกันท่านตายจากขณะนั้นท่านก็ไปเกิดเป็นพรมไปเกิดเป็นพรมออกจากพรมมากรรมเก่ามีเนยกรรมเขายังไม่หมดออกจากพรมมาเกิดเป็นหมูนะเป็นอย่างงั้นนะสูงแล้วก็ต่ํำลงมาอีก เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแย้มพระโอษฐ์ยิ้มให้ผ้าหนุนรับรู้รับทราบเพราะนั้นคนเรานี่จะสูงอย่างเดียวจะขึ้นสูงเป็นพรหมแล้วก็จริงอยู่แต่กลับลงมาเกิดในกรรมเก่ายังมีอยู่ก็ชักจูงออมาให้มาเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้เพราะงั้นพอนั้นจะทํำยังไงจึงจะไม่ให้ติดไม่ให้หลงไม่ให้มาเกิดในโลกวัตะสงสารนี้ได้อีก พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นน่ะสอนให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นอริยะบุคคลจะทํายังไงจึงจะเบื่อหน่ายคลายก็เฮีเ้ยน่าอย่างที่หลวงพ่อพูดน่ะเฮี้ยน่าร่างกายของเราเฮี้ยน่าร่างกายของคนอื่นเปรียบเทียบคนอื่นอย่างที่พวกเราเห็นรูปภาพหรือรูปทางโทรทงโทรทัศน์อย่างที่พวกเราเห็นนั่นน่ะ มาเปรียบเทียบดูบ่เนร่างกายของมนุษย์มีเพียงแค่นี้เน อ, เ อ, อถึงจะเป็นยังไงเป็นฝรงฝรังเป็นทงเป็นไทยเป็นดาหลงดาราเป็นคนรูปร่างขี้เละขี้ร้ายขนาดไหนผลที่สุดก็ล้มหายตายลงสู่แผ่นดินทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยูออ่ตลอดไปคําชั่วฟ้าดินสลาย เ, เป็นอนิจจังของไม่เที่ยง เ, เมื่อสิ่งของที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งไหนที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะนี่แหละการให้พิจารณาทำนะคิดทบทวนอยู่อย่างนั้นอยู่เสมอในจิตในใจถ้าคนผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ทบทวนอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอแล้วนะั่นจิตใจของคนนั้นจะไม่หลงโลกหลงทางไม่หลงวัฏสงสารสิ่งไหนควรทำอย่างไรควรจะทำอย่างนั้น คนคิดอย่างนั้นควรทําอย่างนั้นควรพูดอย่างนั้นจะเป็นคนไม่ฟุ้งเฟอ้อฟุม่มเฟยลุ่มหลงในวัฏสงสารไม่ลืมเนื้อลืมตัวว่างั้นเถอถ้าคนมีทำในจิตในใจแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จึงสอนให้พวกเราท่านทางหลายอย่าลืมตัวให้ประพฤติปฏิบัตินะแล้วที่มาพูดถึงเกี่ยวกับการล้มการตายทําไม จึงมีการตายถึงขนาดนั้นอย่างที่ภูเก็ตหลวงพ่อก็นำมาคิดนำมาพิจารณาดูดูเหมือนกันนะถ้าจะเปรียบเทียบกับนิทานหรือว่ามาในประไตรปิฎกเนะี่ยเรียกว่าพระเจ้าวิทูตพะเป็นลูกของพระเจ้าประเสนที่โกสนโกรธแค้นให้สากยวงศ์คือโกรธแค้นให้พญาติของพระพุทธเจ้าว่างั้นะ กุงกบิลพัฒน์พญาปเสนหนึ่งกุงสวัสดีพอพระเจ้า ว, วิทูตพะขึ้นครองราชแทนพระบิดาคือพญาปเสนที่โกรธส่วนแล้วกบ โ, โมโหโกโรธผูกอาฆาตอยู่สมัยเป็นเจ้าชายเพางั้นเถอะก็ เ, เจ้าชายเขาหาวันดูถูกตัวเองพอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่า น, นก็ยกทัพไปเพื่อจะเป็นล้างแค้นเป็นอย่างงั้นเด้ ความอาฆาตพยาบาทเนี่ยพาตกนรกหมกไหมนะทั้งที่เรื่องมันผ่านไปแล้วก็น่นาจะให้อภัยน่าจะจบจบไปแต่ความโกรธโมโหโธ่โศในจิตในใจเนี่ยมันจบไม่เป็นมั้งั้นเถะมันผูกอาฆาตเนี่ยนะโหทางไปสู่นรกอเวจีหนทางแห่งความจิบหาย เ, าเจ้าปิตุตพาเนี่ยกยศทหารไปพราะพระเทเจ้า ท่านรู้ว่าเออวิฑุตภาเนี่ยจะไปฆ้าพญาติพระวง์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอยู่ครึ่งทางเหมือนกันนะที่พระเจ้าวิฑูตพที่ยกทัพไปพอวิฑูตพะไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในร่มต้นไม้ตามลําพังวิฑูตภะก็ปดเครื่องอะไรออทหารอะไรออกไปเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ถามว่ามหาภพิษไปอะไรมาอะไรทักทายปราศัยฟิทูระภาคใจอ่อนอพระพุทธเจ้าคงจะรู้ว่าเราจะมาฆ่าพวกสักยะเหมือนกันกลับออกรุงสวัสดีพอคิดขึ้นมาอีกโมโหขึ้นมาอีกเจ็บแค้นใจขึ้นมาอีกไปฆ่าให้ได้เออเออยกทับไปอีกพอไปเห็นพระพุทธเจ้าก็รู้อีก ไปนั่งอีกเนี yeah. เข้าไปกราบอีกูพระพุทธเจ้าคงจะรู้เราว่าเราจะไปทากรรมชั่วจะไปฆ่าสาักยะพระพุทธองค์ท่านคงมาช่วยพญาตของท่านกราฟอีกครั้งที่สองพอครั้งที่สามนี่พระพุทธเจา้ารู้โอสักยะเขาได้ทากลัมไว้ในอดีตถึงเราจะห้ามไว้ก็คงจะไม่ไม่ไหวละ พรองก็เลยอุปเปกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจปล่อยออปล่อยตามสภาพสุดแท้แต่กรรมของสัตว์เพราะว่าเขาได้ทำกรรมไปแล้วจากนั้นก็วกกิถูตภากับทหารกับยกพลเข้าไปไปฆ่าสากยะาแต่โอ้โหตายเป็นบือเลยมีเท่าไหร่ฆ่าหมด เ, เป็นสากยะใช่ไหมตัดคอตัดคอตัดคอถ้าข้ า, าว่าวาครเป็นศักยะ เนี่ยนะเชื้อพวงของพระพุทธเจ้าข้านั้นนะ่ะตายมากที่สุดเลยเกือบจะว่าล้างโคตรล้างแสว่างั้นแต่แตอนี้พอข่าจบแล้วก็กลับมาละบาทเนี่ยทำได้อย่างใจหวังล่ะพอกลับมามาก็ไม่ถึงเมืองสวัสดิมันมีระหว่างทางมันมีแม่น้ำแม่ใหญ่มันก็คงจะเป็นลักษณะแม่น้ำโของอย่างนี้นละแม่น้ำชีแม่น้า มูนอย่างเนี้ยเฮ้ทีนี้ก็เอาทาหารทาหารทั้งหลายกันมาแล้วก็พักพักพนแั้นได้ไก่น้ําพักพนเพราะมันใก่น้ําพอพักพนพวกที่ไม่ได้ทํากำหนักไม่ได้ตั้งอกตั้งใจทํเาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเกณฑ์ไปก็ไปแบบทาหารไม่ไปก็ไม่ไดเ้เดี๋ยวเขาจะตัดคอยอีกต้องจําเป็นต้องไป แต่ถึงจะไปก็ตามก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าเพราะพพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณทหารทั้งหลายกองผู้เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทก็มีใช่ไหมแต่เคารพเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมีอยู่แต่ก็คิดในใจว่าสากยะก็ไม่ได้ทําอะไรให้แก่เราเราทํำไมจะไปหาโกรธโกรธก็เป็นโกรธพระราชาเป็นผู้พาโกรธพระย า, าชาเป็นคนโกรธเราจะไปโกรธตามพระราชาได้ยังไง แต่เมื่อพระราชาบอกให้ไปเราจะทํำยังไงได้เราเป็นทหารแล้วก็ต้องไปไปด้วยความจําใจเออแต่ไปแล้วก็ก็ไม่ได้ขา่าวงั้นเออเขาว่ากับว่ากันไปแต่ตัวเองกับไม่ได้ขา่าวไม่ได้ทำเพราะกลัวบาปในจิตในใจอยู่เออเพราะท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้แก่เมืองของเราเสียหายเออแต่เราเพียงแต่ความโกรธเฉยเฉยก็รู้ประวัติอยู่เลยเออจากนั้นไอ้พวกที่ พระเจ้าแผ่นนี้บอกเอาฆ่ามาเลยพวกนั้นก็ตั้ง อ, อกตั้งใจฆ่าจริงๆเหมือนกันเถอเจตนาเจตนาฆ่าด้วยความจงใจด้วยความเจตนาฆ่าเหมือนกันเถอะทั้งที่พระราชาบอกว่าฆ่าก็ต้องฆ่ า, เ, า, เ, าเป็นทหารทหาราเหมือนกนแต่พวกหนึ่งบอกฆ่าไม่ลงเขาไม่ได้ทําผิดอะไรจะไปฆ่ า, าเขาทําไมอันนั้นมันเป็นสองพวกอยู่ในใจแต่ไม่มีใครเปิดเผยให้กันฟังในสมรภูมิเช่นนั้นเหมือนกันเถอะ แต่ถ้าพอกลับมาเท่าไ่กลับมาก็มานอนในฝั่งแม่น้ํำพวกที่กรรมหนักพวกที่เจตนาฆ่าเนี่ยว่าไงเถอะนอนบนบกไม่ได้มีมดดํามดแดงมันกัดว่าไงโยไม่ได้ว่าไงเนอะโอ้ไม่ได้นอนไม่ได้ลงไปนอนในหาดชายว่าไงเถอะไปนอนหาดชายโอ้เย็นสบายว่าไงเนอะไอ้พวกที่ไม่ได้ทํากรรมหนักเท่นี้เจตนาไม่ฆ่าเนี่ย อยู่ในหาดทรายมดดํามดแดงกัดวิ่งขึ้นมาข้างบนโอ้ไม่ได้ไม่ได้นอนในหาดทรายมดกัดขึ้นมานอนข้างบนมั้งั้นแหลเออมันแยกกันไอ้กรรมมันแยกเลยพอ ด, ดึกดึกสักหน่อยนยฝนมันตกอยู่ข้างบนไอ้กลมอ่ะฝนกลมมันอ่ะฝนกลมฝนเวนมั้งั่นแหละพอมันตกมาหนักหนมันก็ไหลลวดมาทีเดียวเลยไอ้พวกทหารหารทั้งหลายแหล่ที่นอนอยู่ในทรายหาดพร้อมกับพระเจ้าแผ่นดินวิทูตรพระ ก็เลยเป็นเอ่อเป็นเหยื่อของปลาไปเลยตายไปหมดเลยเพราะน้ํามันลากไปว่างั้นแต่นเนี่ยแหละข่าวนี่กัทหารของพระเจ้าพิทูทพ่าเนี่ยเเกลี้ยงหมดเลยเนี่แหละมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยเนกรรมของสปปรรพสัตว์ท้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่จะพูดได้ว่าเป็นกรรมมาจากไหนอย่างไรนะท่าบอกครับว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ คงจะถามได้ว่ากรรมส ร, รพสัตรครั้งนี้เป็นกรรมเพราะอะไรหนอเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าคงจะพยากรณ์ได้เหม น, นแต่พวกเราท่านทางหลายก็มีแต่เปรียบเทียบนะ่คงจะมีกรรมในอดีตมัง่งจึงได้มารับข้อรับกรรมแต่คนที่ไม่มีกรรมก็คงจะวิ่งหนีวหมือนนแ่เออเอาตัวรอดได้แต่คนที่มีกรรมก็อย่างว่าเนะล้มหายตายจากไปแต่ว่ากรรมเขานี่รู้สึกว่า ม, มากพอสมควรนะ ฟังฟังรู้แหละเป็นแสนเหมือนอไงแสนกว่าเหมือนกันขนาดสงสารเหมือนอไงพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้พูดออดูถูกเหย็ดยามอะไรใครทั้งหมดกร้ำของใครของเราเหมือนกันเถอะอีกสักวันหนึ่งเราอาจจะหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านั้นก็ได้อย่างนี้ถึงกร้ำของท่านเราก็พูดได้พอามากรรมของตัวเองก็พูดไม่ออกเหมือนกั น, นเพราะอนั้นอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่า ท, ำทํำเฉยดีกว่า อากตังดุกรตังเส้ยโยปัจชาตปฏิดุกรตังกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นกรรมชั่วเนี่ยถ้าทําไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้มันจะให้โทษเมื่อไรเพราะนั้นถ้าทํากรรมดีแล้วก็นี่มันต้องดีเพราะนั้นให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ทาแต่กรรมดีเอาไว้ กรรมดีนะันจะตามสนองพวกเราเข้าสู่ความสุขความเย็นใจต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราทำกรรมดีแล้วบางทีเราทำมากๆทากุศลมากๆทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระอรหันตสาวกหรือทำบุญกับพระอรหันต์ที่ท่านออกจากนิโรธจมาบัตรก็มีหลายองค์หลายท่านนะในครั้งพระพุทธเจ้า บุญกุศลนั้นส่งจนถึงเข้าสู่นิพพานเพราะงั้นนี่แหละทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วไว้แล้วถ้าเราทํามากๆถูกจุดถูกที่ถูกทางแล้วส่งถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลอย่าประมาทเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแหละเก็บคะแนนไปเรื่อยๆถึงวันจบสุดท้ายนะ่ะชีวิตของเราหาไม่นะั่นน่ะใครจะมีคะแนนดีกว่ากัน นั่นแหละวันนั้นแหะเป็นวันตัดสินใครได้คะแนนดีกับคนนั้นก็เป็นที่หนึ่งไปถ้าคนไหนทําไม่ดี ก, นะก่อนน่ะตกหล่นไปเป็นสัตว์ที่ระชันไม่เป็นมนุษย์แล้วเนะ๊เป็นสัตว์ที่ระชันตกนรกหมกไหม้ไปเพราะทำกรรมชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวอยู่เสมอนะั่นแหะอย่าประมาทสร้างคุณงามความดีเอาไว้นะตอนน่อไปก็นั่งสมาธิเลยนะที่นี่นะ เยียมตัวนั่งสมาธิเมื่อออกจากสมาธิก็ให้น้อมจิตอุทิศสวนกุศลที่พวกเราได้นั่งสมาธิอุทิศสวนกุศลถึงผู้ที่ได้รับทุกภยัยทางภูเก็ตพังงาทางพี่น้องทางใต้ของเราด้วยอุทิศสวนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของเราด้วยที่พวกเราทา นั่งภาวนาในครั้งนี้นะเรื่อการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงนี้ว่า ง, งั้นเถอทำคุณงามความดีในช่วงนี้ให้น้อมจิตุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงผู้ที่ได้รับทุกข์รับยากาตกทุกข์ได้ยากประสบอุปติภัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนั่นแหะเอาต่อไปนั่งสมาธินั่งขัดสมาธ